ขอน้อมน้อมต่อพรัตตนาตายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอถวายทำความกรพบนะหลวงพ่อพเป็นประธานในคณะพระภิกษุสงฆ์วก็จเจริญในศีลในธรรมมาบรรดาอย่างยิโยมอุบาสกอุบาสิ ก, กา ทุกทุกท่านนะโยมนะทังฟังเจริญสติไปด้วยก็ได้ mm. ก็ป mm. ีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งนะโยมน ะ, mm. ะคงไม่เจอกันสองครั้งสามครั้งเพราะว่า <c oughs> ที่วัดป่าเขาคงคาเนี่ยก็จะจัดงานใหญ่ๆของแตปีละครั้ง จัดมายี่สิบสามสิบปีแล้วถือว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในแง่ของภาคปฏิบัติภาคภาวนาการเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีหลายหลายรูปแบบนะโยมนะ ตั้งแต่ขั้นขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีวัฒนธรรมต่างๆจนมาถึงการทำบุญให้ทานสร้างวัดสร้างวารักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็จนมีการบวชลูกบวชหลาน มาเจอมาถึงขั้นภาวนานี่ขั้นตอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ทีนี้ขั้นตอนที่เราพวกเราทําทำอยู่เนี้ยมันมีน้อยอยู่มันมีน้อยเพราะว่าพระที่เป็นผู้ ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยยส่วนมากนี่ก็จะเป็นพระที่ไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติก็บวนเรียนเชยนอ่านใน5พรรษาหกพรนษาหรือว่าเป็นพระมหาอย่างพระมหาเมื่อกี้เนี่ยยก็ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติ พระมาหาทั้งหลายโยเว้นมหาบวัวนั่นนั่นท่านรู้อะไรรู้ลึกซึ้งจนเป็นพระละหันมหาบวัวมหาธนิษอย่างเงี้ยโยมมันยกไว้ยกไ ว, กว้แต่เขตปักธงชัยก็มหาธนิษ์ใช่ไหมพระเยสตีถ้าเขตอุดรก็มหาบวัวหลงตาบวัวของเรานี่แหล ะ, ะเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ได้ มีการประพฤติปฏิบัติเรียนเรียนกันฉะนั้นเมื่อไม่มีพื้นฐานจะมาเปิดงานอบรมนึ่ยเปิดไม่ได้นะโยมนะเจ้าคณะอำเภอก็เปิดไม่ได้น ะ, นะะ เ, เ, ปนะเปิดก็ล้ม hm, เพราะว่าไม่ได้มาเจิงในเรื่องการปฏิบัติ เจ้าคณะตำบล น, นี่ไม่ใช่เจ้าถ้าม่ใช่เจ้าคณะตำบลโคกกระชายเนี่ยเปิดไม่ได้หรอกโยมืะครับเจ้าคณะตำบลโคกกระชายถ้าไม่ได้อยู่วัดป่าเขาคงคาก็เปิดยากเหมือนกันน ะ, ะไปยุบหนอฟองหนอแฝบหนอโทหนอตีหนอเอกหนอทำหนอพูดหนออย่างนี้นะโยมฉะนั้นนี่จึงว่า การที่จะเปิดงานอบรมได้นี่จะต้องมีพื้นฐานนะโยมเชยว่าอยากจะเปิดเลิกเกินมีเงินเยอะนะเปิดได้อยู่โยมใชว่าเปิดได้ปีสองปีเท่านะั้นเองเจงเดมีเจ้าภาพรวยๆอย่างเงี้ยโยมเนได้ปีเดียวแต่มาเคยเห็นที่ชนบุรีเศรษฐีเขาเยอะนะโยมนะ ให้เจ้าวาดเปิดงานอบรมเป็นเจ้าภาพคนเดียวออกสามแสนนายโยมสมัยก็คิดว่าสามแสนเนี่ยคงจะได้จีปีได้ปีเดียวสามแสนนี่นี่คนไหนออกสนะามแสนสิบปีเนี่ยมีกล้าไหมโยมไม่มีไม่มีใครกล้าหรอกสามแสนสิบปีมเป็นเท่าไหร่นะสามล้านนายโยมเปิดทุกปีให้ แต่ต้องอาศัยพลังแล้วกว่าพลังศรัทธามวลชนไม่ต้องเอาเยอะโยมเอาคนละพันคนละร้อยคนละสองรอแต่ว่ามาร่วมกันมันก็ปวกยอโยมไม่ต้องการในช้างมาช่วยไม่ต้องการในรถไมโครมาช่วยมันช่วยตัวของมันเองคนเล็กนิดคนละหน่อยติดฟันมันขึ้นไปติดขามันขึ้นไปจอมปวก เห็นไหปวกเห็นไหมโยมมันติดขาติดฟันไปนะเป็นยังไงเป็นจอมปวกที่ยิ่งใหญ่ได้เวลาจะทําลายจอมปวกทําไงโยมต้องใช้รถแมคโครนะแต่ว่าเวลาสร้างจอมปวกก็ใช้ขาขาปวก น, น้อ ย, อ, ยอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะเปิดงานอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมเนะี่ยก็ต้องอาศัยนี่แหละพลังศรัทธาจาก คนธรรมดาธรรมดานั่นแหละนานก็มีคนเฉติถีมาช่วยเป็นสีสันเป็นสีสันแต่ว่าส่วนมากก็คนจนนี่แหละโยมช่วยกันนี่คือการเผยแผ่ธรรมะในทางพุทธศาสนาในเรื่องการปฏิบัติฉะนั้นนี่เราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีนะโยมนะโชคดีที่แถบนี้เรามี วัดป่าเขาคงคามายึดพื้นที่มั่นไว้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ท้าวรตลอดไป <c oughs> จนกว่าโยมจะตายคนหนึ่งจากไปคนหนึ่งเข้ามาคนหนึ่งจากไปคนหนึ่งเข้ามาพระก็เหมือนกันโยมเปลี่ยนเหมืนหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่ว่าทางพระเนี่ยมันจะยากหน่อยนะโยมนะทางพระนี่ สร้างาศาสนาทายาตเนี่ยมันสร้างยากนะโยมโอ้สร้างยากของอาตมาเนี่ยมันอยู่ไปอยู่วัดทอทตมาอยู่เนะี่ยจี่ปีแล้วนะโยมเป็นเจ้าวาดมาตั้งแต่ปีตีสามนั่นนะจี่ปีแล้วนะไม่มีลูกศิษย์ที่เป็นพระเลยนะโยมมีแต่ตาต่างตาหลวงเตือห่างๆ่งเงๆง สร้างโบสถ์ราคายี่สิบล้านสามสิบล้านเน่เสร็จนะโยมแต่ว่าทาังลูกศิษย์ที่เป็นพระคนหนึ่งไงมันจับไม่สวดมนต์ไหวพระเหมือนมหา เ, าเหมือนพระครูนิสัยเหมือนพระอาจารย์ปุ้ยพระอาจารย์ใหญ่มันไม่ได้องโยมมัะนไม่ได้เป็นไงมันยากไหม เนี่ยมันไม่ได้เหมือนจานนี้มนนะจานนี้มนนันสร้างได้โยมนี่ก็เรียกว่าสร้างแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ต้องมีสักวันอย่างกอดเขาว่านะต้องมีสักวันต้องมีสักวันเราจะต้องมีลูกศิษย์เนียแต่หลวงพ่อจะลัน่นหลวงพ่อเทียนอย่างเงี้ยท่านเจงนะท่านสร้างทายะไถ่ทางพระสงฆ์เนี่ยส่วนทางโยมไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะโยม แต่ว่าทางทางพระเนี่ยท่านสร้างได้เอานั่งยกมือสร้างจังหวะไปเดินจงกรมกลับมากลับไปเราอะไรอะไรเราก็ทําได้อะไรอไรก็ทําได้เกิน ล, พนลพไไมนนนลพ่อเทียนหมดแล้วพูดง่ายง่ายไหมเป็นเกินลมพ่อเทียนหมดอะแต่ว่าสิ่งที่มาเกินสร้างทายาทไม่ได้โยม เศร้าใจไหมวะนี่เพราะฉะนั้นนี่ถือว่าถือว่าเรามีทายาทปัดป่าเขาคงคาเรามีทายาในการที่จะสืบทอดในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางของหลวงปู่เทียนกิตสุโภเพราะว่าแนวทางนี้เนะี่ยมันของจริงนะโยมนะของจริงคนจริงรู้ของจริง ถ้าปฏิบัติจริงๆนะมันจะรู้มันจะเข้าใจใหม่ๆเนี่ยมันก็จะยากหน่อยอย่างโยมคนไหนมาใหม่เนีย่ยโยมคนไหนมาใหม่มันมันก็จะวุ่นวายหน่อยคนไหนมาใหม่เดี๋ยวโยมจะไปดูเขายกมือทาอ่างจังหวะนะมันจะวุ่นวายโอ๊ยยกอะไรกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวียนหัวปวดหัวหลบไปนอนดีกว่า ทำาไม่เข้าใจนะ่ถามโยมถามโยมพ่อโยมแม่โยมน้องโยมอาแลื้อก็ถามหลวงพ่อก็ได้ทำยังไงทำยังไงเพราะว่าจะมาไปไปอบรมที่กรุงเทพเน่ยโยมทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีคนใหม่เข้ามานะคนกรุงเทพนั่นก็จะแปลก จะเข้ามาเนะี่ยเรานั่งสร้างจังหวะอย่างนี้น ะ, จะเจริญสติอย่างนี้แหละเป็นสองร้อยเหมือนกันนะโยมร้อยห้าสิบสองร้อยร้อยนี่แหละนี่คนกรุงเทพเขาคนแก่เขาไม่เข้าวัดนะโยมเข้าเหมือนกันคนแก่เขาเข้าไปทำบุญต้องพ่อจะสร้างอะไรเจ้าขาโยมอาสาทำให้หมดแต่ว่าคนนุ่มเนี่ยเจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เห็นละเห็นเห็น คนยกมือสร้างจังหวะก็เอาแล้วอก็นั่งดูไปดูมาอยากทำตามทำไปทำมามันทำไม่ได้ก็งงลูกหนีอก็ไม่รู้ทำอะไรป๊อ๊อปแป๊บแมันทำไม่เป็นแต่พอเราเรียกเข้ามามานีา่มาทางนี้บอกเรียกมาทางนี้มานั่งข้างหน้านี่ก็บอกวิธียกทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ถึง บอกยกทีเดียวยมยกมือไปเอามือมาเอามือก็ออกก็ทำเป็นให้รู้สึกที่ฝ่ามือมันพิกมันคว่ำ ม, มันหงายเนี่ยจำได้ไหมโยมบอกจำได้เข้าใจครับเอาที่มันคิดไอ้ช่างมันแล้วก็รู้สึกที่มือของเราพริกไปพิกมาให้รู้เท่านี้รู้เฉยๆห้ามปรุงแต่ง บอกเขาแล้นี่าก็ยกมือได้กลับไปกลับมาในครื่งนี้ก็จะเวีย น, น, น, น, น, น, น, นไปอย่างเงี้ยโยมแต่ว่านั่นคนใหม่พอเขาเข้าหลักการแล้วก็จะอ๋อพอยกมือไปยกมือมาบางอย่างอันนั้นก็คิดอันนี้ก็คิดแหละมือก็ยกใจก็คิดมือก็ยกใจก็คิดมันเป็นยังไงหลวงพ่อเนีเป็นธรรมชาติของมันล้วก็บอกเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันมีอยู่สองธรรมชาตินะโยมนะ ธรรมชาติกายกับธรรมชาติใจอถ้าภาษาพระก็เรียกว่าธรรมรูปกับน้ำแต่ไม่ต้องไปพึ่งผู้รูปกับนาำลรอกมันเป็นภาษาพระน่างกายของคนเราเนี่ยตัวของเราเนี่ยตัวมนุษย์เนี่ยมันมีกายกับใจกายกับใจเนี่ยมันอาศัยกันโยมมันอาศัยกันขาดกันไม่ได้แต่ว่าห่างกันได้แต่ขาดกันไม่ได้ ห่างกันได้ยังไงเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยโยมมันห่างไหนมันเกี่ยวแวบขอเวลานอกไปบ้านสักหน่อยันว่ า, า, าอย่างเงี้นะไปทำไมถ้าเป็นพ่อใหญ่ก็ไปดูหลานถ้าเป็นพม่ใหญ่ก็ไปดูหลนปั๊บหนึ่งหรือว่าไปดูต้นไม้หรือไปดูผักปลูกไว้มีใครลดไปด่าหลานทั้งหน่อยลูกทั้งหน่อยทำไมไม่ลดให้กู มันมันห่างกันห่างไปแปบ๊บเดียวมันก็มาอีกอกลับไปกลับมาเนี่ยคือใจอยู่สภาพของใจกายไปได้ไหมไปไม่ได้เพราะว่าอะไรมันขาชุดขาวพอบอกลูกบอกหลานบอกขวบบอกเมียมาแล้วอีฉันจะไปปฏิบัติธรรมเด้อท่านถ้ากลับไปกระไรขวก็จะว่าลูกก็จะว่า ยายมาทําอะไรวพระพ่อเจ้าจะตอบไปยังไงไหนว่าจะไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันวะนะจะไปตอบเขาว่ามันหนาวยายทนไม่ได้มันไม่หนาวเนี่นีน่ น, น, นไม่มีข้ออ้างนะโ ย, ยม <c oughs> ปวดขาเอา้าก็เมื่อวานนี่ดีๆอยู่วันนี้แต่ไม่มาปวดขาก็ไม่ได้ฉะนั้นกายนยจึงไปไม่ได้ถูกบังคับด้วยชุดขาวฉะนั้นกายกับใจเนี่ยก็เรียกว่า มันเป็นธรรมชาติของเรามันอยู่ด้วยกันนะแล้วก็มันห่างกันได้ทีนี้พระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงพ่อเทียนนี่ก็เลยมีกุศโลบายท่านคงไม่อยากให้มันห่างกันท่านก็เห็นโทษของการกายกับใจมันห่างเหินกันมันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันท่านก็เอามารวมไว้ด้วยกันจะด้วยกุศโลบายด้วยการยกมือสร้างจังหวะเดี๋ยวยกมือสร้างจังหวะ ให้มันอยู่ด้วยกันคิดไปได้แต่ว่าให้มารู้สึกที่การเคลื่อนไหวของมือปิกมือความมือคิดได้นะโยมนะคิดได้คิดไปเลยมันเป็นธรรมชาติห้ามมันไม่ได้นะโยมโยมอย่าไปห้ามความคิดนะอันนี้มันรักคิดก็ดีเจตนาคิดก็ดีไม่อยากจะคิดก็ดีอยากจะคิดก็ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มัน เป็นใจของเราน่ปล่อยมันคิดไปเลยแลปลว่าขอขอหน่อยขอหน่อยอย่างนั้นเพราะว่าเราอายุมากแล้วโยมมันคิดอย่างนี้มันปรุงแต่งอย่างนั้นมันทำอย่างน้นอย่างนี้มาหลายสิบปีแล้วบางคนก็สิบสิบปีแล้วบางคนก็หกสิปีแล้วบางคนก็เจดสิบปีแล้วขอให้มันมารู้สึกสักหน่อยนี่เป็นของขวัญ น, นะโยมนะเป็นของขวัญปีใหม่ เป็นกำไรชีวิตถ้าเรามารู้สึกที่การเคลื่อนไหวน่โยมมันเป็นกำไรชีวิตหลวงพ่อเทียนว่าเป็นกำไรชีวิตนัตมาก็ว่าเป็นกำไรชีวิตนับตั้งแต่เราเพิกมือขึ้นรู้สึกครั้งแรกที่ครูบาอาจารย์สอนเป็นกำไรชีวิตนะโยมรู้สึกครั้งแรกรู้สึกครั้งที่สองรู้สึกครั้งที่สาม จนรู้สึกขณะดนี้เนี่ยถือว่าเป็นกําไรชีวิตกําไรชีวิตที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบวิธีการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยถือว่าธรรมะว่าเป็นกําไรชีวิตเพราะว่าสติที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าไม่มีใครที่จะมาแนะนําให้เรามารู้สึกอย่างนี้ไม่มีใครที่จะมาแนะนําให้เราเอากายที่มัน เอาใจที่มันวิ่งลอนทั่วอาราธนาจัดทั่วโลกเนี่ยโยมวิ่งไปวิ่งมากลับมาให้มาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ตรงนี้ตรงรู้สึกตัวเนี่ยโยมไม่มีใครมาแนะนำพ่อแม่เราก็ไม่เคยมาแนะนำครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเราให้อ่านออกเขียนได้ก็ไม่เคยมาแนะนา แม้แต่พระสงฆ์องค์ เ, เจ้าที่เราใส่บาตรในทุกวันทุกวันนะโยมนะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่วัดป่าเขาคงขานะเคยแนะนำโยมไมโยมฮะโยมรู้สึกตัวนะโย وم! มนนยนะ ว, ว, ยวันนี้สองเก้านะโยมนะฝันดีวัอโยมวันนี้ หกศูนยนะโยมนะแ่พันดีมีได้อย่างนั้นนะโ ย, ยมเ <c oughs> นี่ยก็เรียกว่าในพระองค์ไหนนะบอกว่าเออรู้สึกนะโยมนะกลับไปบ้านก็หรือว่าจะทำอะไรจะทำพิ ก, กวดบ้านถูสันถูบ้านทักผ้าอาบน้ำลดน้ำต้นไม้หรือว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้รู้สึกตัวนะมีใครมาบอกมีแต่หลวงพ่อเทียนองเดียว บอกเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้านยโยมนี่ถือว่าเป็นกําไรชีวิตโยมว่าไหมโยมคนที่มาใหม่ถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะส่วนคนที่เก่าแล้วก็อเป็นเขาเรียกว่ากําไรกําไรกําไรกําไรอกําไรกําไรอยากจะได้กําไรแบบหนักสองบาทสามบาทลูกซื้อให้นะอย่าไปเอานะโยมนะเอาไม่ได้โยมนะมันเป็นกิเลส มันไม่ใช่กำไรชีวิตแล้วเราอายุป่านนี้แล้วจะเอาไปทำมาลายไปใส่อวดใครอวดผัวก็ผัว ก, ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยอวดเมียเมียก็ไม่อยากจะอยูย่ไม่ต้องไปเอากำไรชีวิตแบบนั้นนะโยมกำไรชีวิตคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เรามาฝึกเนะี่ยมาฝึกมาอบรมมาปฏิบัติเนะี่ย ถ้าเราทําได้เนี่ยไอความคิดที่มันคิดเนี่ยโมันคิดนะใหม่ๆเนี่ยมันคิดมากเลยแหละมันคิดมันปรุงมันแต่งยิ่งมาปฏิบัติอย่างเงี้ยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยถึงจะเป็นคนเก่าแล้วแต่ว่าปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งมาปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งมาปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็คิดแหละเลยมันเอาและโยมมันเริ่มแล้วนี่คือการปรุงแต่ง มันทําไมต้องปรุงแต่งมันไม่อยากให้กายกับใจเนี่ยมันมาอยู่ด้วยกันมันไม่อยากให้กายกับใจมาอยู่ใกล้กันมันจะทําทุกอย่างก็เรียกว่าอุปสรรคหรือว่านิวรณิวรณิวรณิวรณ์นิวรณ์มันมีอยู่ห้าอย่างนะใหม่ๆเนะี่ยอันมีอันนี้แหละความคิดความขี้เกียจความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านก่อน พอคุมฟ้าหายไปแล้วก็ความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยพอมันเลิกคิดแล้วก็จะเริ่มง่วงแล้วเริ่มง่วงอะไรอยงม ว, วันนี้หลายวันแล้วบางคนมาในสีวันหน้าวันมันจะเริ่มง่วงสู้นะโยมนะแต่มาว่าสู้เดินยงกลมสู้ยกมงินสร้างจังหวะสู้เดี๋ยวมันชนะสนามเนี่ยโยม <c oughs> เป็นสนามที่ทําให้คนเกิดปัญญานะวัดป่าเขาคมคานงะโยม เป็นเป็นเป็นสิ่งที่สร้างสร้างพระะอาตมาก็มาอยู่นี่แหละโยมมาได้ธรรมะมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่แหละนี่แหละมาอยู่นี่แหละ <c oughs> มาประพฤติปฏิบัติกับท่านพระอาจารย์นิมนตนะ่ะตั้งแต่บวชใหม่ๆจนบวชเก่าๆนะ <c oughs> อ่านั่นแหละอาทุกปีโยมไงปีไหนยากก็ไม่ได้มาเขาเรียกว่าตรงเนี้ย ถ้าเป็นฝ่ายพระนี่ถ้าว่าเป็นสถานที่กําเนิดของพระวิปัสนาจารย์นะโยมไม่แทบถ้ารุ่นรุ่นพระกัตมานะรุ่นเจ้าคณะเนะี่ยรุ่นเจ้าคณะกับรุ่นพระครูพระครูเกิดหมดโยมมาที่เนี่ยมาเกิดเนี่ยผู้ที่มาเกิดธรรมะเนี่ยได้ดีได้ดีหมดแล้วยมอมเนี่ยพระมหาเฉลิม ได้ดิบดีดบไปก็าเรียกว่าไปสร้างไปสร้างที่เรียว่าถิ่นตัวเองแต่ว่าได้มาตรงนี้ยเพราะว่าอะไรจ ะ, ะปัญญามันให้นะโยมนะแต่ปะยะมันให้มันจะไปเดินตรงไหนก็ได้ไปเดินบนโบทก็ได้ไปเดินบนป่าก็ได้ไปเดินบนตลาตรงไทยก็ได้ไปเดินบนน้ําตกก็ได้ไปเดินบนป่าเพกก็ได้ไปเดินบนอ่างน้ําก็ได้ไเดินในหอสมุดก็ได้ได้หมดเลย ได้สติทั้งนั้นเลยโยมเขาเรียกว่าเดินในป่าไซก็ได้โยมคนใหม่ๆก็ไปเดินอันนี้เป็นบอกเกิดของการเจริญสติอยู่ที่นี่ฉะนั้นี่อุปสรรคทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวสู้มันโยมไม่ว่าจะเป็นความง่วงก็ดีความขี้เกียจก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีมันก็มีเท่านี้แหละสาหรับพวกเรามันก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเราต้องฉลาด ฉลาดในการที่จะบิดปฏิบัติโดยเฉพาะคนเก่าแล้วเนะี่ยระวังนะคนเก่าเนะี่ยคนเก่าแล้วมันจะพาดตรงนี้รยโยมว่าตัวเองรู้รู้มันจะสำคัญมั่นหมายคนใหม่ีิต้องมันจะฟุ้งซ่านลำคาญมันจะงงงิดอลยโยมถ้าฟังธรรมะอย่างนี้ก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะไม่เหมือนกันเทศตัวทั่วไปเรื่องความกระตันอยู่เรื่องอนุนเรื่องเทศนี่ หัวเลาะให้อะไรทํำนองเนี้โยมเทพได้นคนหัวร้อนเนี่ยมันสุดยอดของการเทศนะโยมแต่ว่ามันไร้สาละนะเมื่อก่อนเน่ยตมาก็ชอบพูดได้นคนหัวเราะแต่มาดูๆไปมาๆแล้วโอ้ยมันไม่ได้ส ต, ติไม่ได้ปัญญาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเราก็ต้องระวังระวังเรื่องอะไรมันจะชอบปวดรู้โยมนคนเก่าเนี่ย ไม่ว่าพระเก่าไม่ว่าโยมเก่าไอ้ตัวอวดรู้เนี่ยมันปิดกัน้นมันจะไม่อยากราพึ่ปฏิบัติมันจะไม่อยากทำอะไรมันอยากจะสอนมันอยากจะแนะนำมันอยากจะโอ้ยอา่าอะไรก็สู้กูไม่ได้นโยมมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าเรารู้อย่างนีน้เราก็พยายามต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติทำแบบเนี้ย ถ้ า, าไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนะี่ยมันเข้าใจจริงๆแล้วหนึ่งมันจะไม่ค่อยพูดนะโยมมันจะชอบทำนะชอบทำเดินอยากอยู่คนเดียวสมัยก่อนดิแต่มาเห็นหลวงพ่อกำเขียนนั่นนะเราไปคุยก็ไม่อยากคุยกับเราอ่ามันอยากอยู่คนเดียวนั่นนะอยู่คนเดียวนี่คือสุดยอดของ ของการปฏิบัติธรรมแบบนี้มันจะเข้าใจใโยมปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วอยากจะอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยไม่ใช่นะโยมมันกับชาวบ้านนั่นแหละอยู่แล้วก็คุยเลียกน้นนแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยหรือว่าแบบไหนก็แล้วแต่โยมมันจะมีความสุขมากถ้าได้อยู่คนเดียวห้องก็อยู่คนเดียว จะมีอะไรอะไรในห้องให้เราได้เจริญสติเอยอะเลยโยมได้กวดได้เจ็บได้จับได้ขยับได้อ่านได้ถูได้ยกมือโอมันมีความสุขอยู่คนเดียวอาจมาอยู่บ้านนคุยกับใครอะไรโยมนอกจากมีงานมีถราสั่งอย่างเดียวสั่งแล้วก็ขอฉันอยู่คนเดียว อยู่วัดเหมือนกันนะกับพรนะเนี่ยบางทีก็อยู่ด้วยกันนะโยมถ้าไม่มีงานเนะี่จะไม่คุยเพียงแต่สั่งเออวันนี้มีจิตมีมนนะั้นหลวงต า, าไปออวันนี้ทำนั้นหน่อยนะหลวงตาเออเท่านั้นนะคุยกันไม่เกินเท่านี้โยมกับโยมเหมือนกันโนะยมถ้าพูดตามหลักแลวคนไหนมาหานะแต่มาไม่ชอบ ชอบอยู่คนเดียวอยู่ยังไงก็ได้ขอยอยู่คนเดียยแต่ลดน้ำก็ขอยลดน้ำอยู่คนเดียวจะจะมายุ่งเกี่ยวพระยมก็เหมือนก็จะช่วยจนะช่วยเนี่ยไม่ช่วยเพราะว่าคือมันไม่เหมือนแต่ก่อนถ้าโยมคนไหนมีนิสัยลักษณะว่าชอบไปหาคนหาคนนี้ยังไม่ใช่นะโยมถ้าแบบเนี้ยคล้ายๆกับว่ามันเตรียมโยม มันเตรียมตัวที่จะไปคนเดียวแล้วใช่หมเออโอ้ชีวิตเราวัยเราอายุเราสังขารเราร่างกายเราโลกเราพร้อมที่จะไปแล้วพร้อมจะไม่อยู่กับใครแล้วจะอยู่มันไม่ใช่อยู่คนเดียวนะมันอยู่กับสติอาตมาสังเกตนะเนี่ยที่บ้านนะที่วัดอาตมาในนะยงเห็นไหม ก่อสร้างน่มีทั้งช่างปูนช่างกระจกช่างสเตนเลต ช, ช่างไม้ช่างกรรมกรเต็มนายมแต่ว่าไม่ได้สงสิงกันคุยเรื่องงานเสร็จมีหน้าที่ก็องใครทำไปคนนั้นมีหน้าที่ทางนี้นคนนี้มีหน้าที่ทางนั้นนไม่ยุ่งเจอกันนอกจากมีปัญหาค่อยมาถามกันเราก็เหมือนกันต่อส้างปุ๊บเราก็อยู่ของเราคนเดียว แล้วก็ทำของเราเราจะทําไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมเล่นขอมและเล่นหลายนะโยมไม่ชอบอาตมาไม่ชอบแั้นแต่ว่าจะอยู่องั้นก็เดินจงกรมออบางทีนั่งมากก็ยืดแช่งยืดขานะ่ะเดินอย่างไรบางทีเดินมากก็นั่งออนั่งมากก็นอนเราต้องให้มันพอดีปฏิบัติทำหนะน่อยอย่ายไปฝืนดูร่างกายของเราโดยเฉพาะคนแก่นนะ่ะโยม เราเดินไม่ได้มากเราล้งค่อมลังงอลังอะไรนะเราก็อย่าไปเฟืน่นไม่ใช่ว่ากูเป็นคนตับเดียว <laughs> เดินก็เดินท่าเดียวอย่างเงี้ยไม่ได้นะโยมนะนั่งก็สร้างจังหวะอย่างเดียวอย่างี้ไม่ได้โยมอันนี้อาจะมาผ่านมาหมดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมีแต่ทำให้ร่างกายของเราทรมาน เกิไม่พอดีโยมเอาพอดีเนี่ยวัยของเราเน่ยหกสิบปีเจ็ดสิบปีนะเดินสักกี่นาทีสักสิบนาทีเอายมสิบนาทีก็ไปนั่งทั้งยังวะนั่งทงงั้งยังวะนานักอาทิตย์ห้านาทีเดินสลับกลับไปสลับกลับมาเนี่ยวัยของเราเนี่ยต้องสลับอย่างนี้โยมนั่งนอนเดินนะเนะีนะ้ยนะนะอย่าไปแช่ยอยู่ท่าเดียวนานนั่งก็เหมือนกันนะโยมนั่งอย่างเงี้ย พิกโยมพิกอย่าให้มันมึนมันตาแล้วก็ปวดนันไม่เกิดประโยชน์หรอกโยมต้องพอมันรู้สึกว่ากับพิกขณะที่เราพิกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวของเราเนี่ยรู้สึกอะตอมชอบที่สุดเลยนะยนั่งมันทำไมไม่ปวดแข้งปวดขาวะไม่ชอบเพราะมันไม่ได้รู้สึกตัว ปวดแล้วก็พิกไปพิกมาท่านั้นท่านี้เนี่ยเป็นเป็นการเจริญสติในตัวของเราคนอื่นเขาจะบอกว่าเราไม่นิ่งก็ไม่เป็นไร ย, ย่มนิ่งไม่นิ่งมันก็ไม่ได้พาเราไปสวรรค์เลยคนว่านะแต่ว่าเราพิกตัวแต่ละครั้งเรารู้สึกเนี่ยนี่คือกำไรชีวิตของเรามันจะเป็นความเคยชินมันจะเป็นสติของเราทีนี้พอเรารู้สึกขณะที่เราพิก บวดแข้งเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยพอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยมันชินนะโยมนะทีเนี้ยโอ้โหมันชินแล้วมันติดเป็นนิสัยนะจะไปนั่งอยู่ไหนก็แล้วแต่แล้เน่ยนั่งอยู่ในโรงพยาบาลนั่งอยู่ในที่ทำงานนั่งอยู่ในที่ไหนขอให้มันเคลื่อนไหวล่ะโอ้โนี่ขอให้มันเดินขอให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวมันชิน มันมีความรู้สึกว่าเออเราฝึกตรงนี้พอมันฝึกไปฝึกมานั่งแล้วก็ฝึกไปนั่น น, นันนนี้นี่คือความความเคยชินพอความเคยชินตัวนี้มันได้มันก็เป็นความรู้สึกตัวของเราเพราะคือตัวนี้ได้ทีนี้ชีวิตของคนเรามันจะพิกอยู่ตลอดเพราะว่าสังขาร น, นี่มันทนเขาเรียกว่ามันทุกขังมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้โยมนทนอยู่ในท่านั้นๆไม่ได้ทุกขัง ยกเว้นคนตายถ้าตับดที่โยมมีใจนึกคิดลืมตาอ้าปากหายใจได้น่เ น, นบบร่างกายของคนเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนท่านั่งกอท่านอนไม่เปลี่ยนท่านอนก็ท่ายืนมันจะเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยโยมถ้าพูดตามหลักวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นพันพันครั้งไงโยมขตะที่มันเปลี่ยนเนี่ย เรารู้สึกไหมเนี่ยถ้าเรารู้สึกก็คือความเคยชินความเป็นกําไรความเป็นการฝึกความรู้สึกตัวของเราที่ชัดเจนได้โยมได้นะขณีเลยเนี่ยได้คอยมันเปลี่ยนใจของเรานี่ยนแะมันสั่งเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อมันสั่งให้ลุกเมือ่อไหร่ก็รู้สึกสั่งให้ยืน อ, อรู้สึกว่าเรายืนสั่งให้เดิน เ้าจุกว่าเดินแต่ไงนั่งให้มันสั่งไว้เลย ใ, ใจนะเนี่ยเราเฝ้าดูอย่างเดียวเฝ้าดูกายของเราพนระภาษาพระภาษาหลวงพ่อเจริญเฝ้ า, าดูกายอยู่ดูกายเฝ้ า, าดูจนมันชินอะ่ะมันจะกระดิกกระดุกไปไหนไม่ต้องไปดูใจมันเลยแต่บาก็ฝึกอย่างนี้เลยมันชิน ฝึกไปฝึกมาน่ยโอยเคลื่อนไหวอย่างเงียโยมโยกมันแยกมันนั่นเองนี่ยอ่ามันจะรู้สึกของมันหมดสติที่เราฝึกเนี่ยก็เรียกว่ามันเริ่มมันพอมันชินพอมันเคยมันก็จะเป็นธรรมชาติมันจะเป็นอัตโนมัติของมันนะทีนี้โยมอ่ามันจะเป็นอัตโนมัติของเราดิบางคนก็ บางคนก็หัวเสียเด็กรุ่นใหม่อยากให้มันพิกนั่นพลิกอย่างนี้พอ ย, อยากให้มันเปลี่นอย่างนั้นเยู่ไม่ต้องโยมไม่ต้องไปฝืนธรรมชาติเพราะว่าในร่างกายของคนเรานะ่ะมันมีความคิดปรุงแต่งอยู่เพรอมันมีความคิดปรุงแต่งอยู่แล้วมันก็จะสั่งของเราเดี๋ยวมันก็ปวดเยี่ยวการนี้ปวดเยี่ยวขึ้นมาครั้งหนึ่งนายโยมมันได้ความรู้สึกตั้งหลายตัว ก่อนที่มันจะไปเยี่ยวอ่ะเออมันทำนารโยมก็ต้องลุกก่อนใช่ไหมเออมันก็จะลวดจะลุกได้คนแก่ก่อไหนในหัวเขา่าหัวศอกจะก้มเอาก้นเอาเกนินขึ้นก่อนใช่ไหมไม่ไปแตะ <c oughs> ก่อนไปในห้องน้ํานะโอ๊ยได้ทั้งหลายนะเพราะไอเยี่ยวปวดเยี่ยวมันปวดเยี่ยวตัวเดียวนายโยมเห็นไหมได้เยอะไหมปวดท่ายนี่ยิ่งได้เยอะหิวหัวกันกัน หิวน้ำอย่างเงี้ยโอ้มันบอกว่าหิวน้ำแตนะ่ะมันเอาและเพราะว่ามันหิวน้ำอะไรตามมาโยมมือละแนะ่ะขวดน้ํำอยู่ไหนวะมันเริ่มเคลื่อนไหวป๊อปอก็มือมันเคลื่อนไหวไปจับก่อมันจะจินน้ํามันต้องเปิดขวดน้ําใช่ไหมโยมอไอ้คนไหนคนไหนมันง่ายมันก็ใส่ปากเลยอแบบฝรั่งแต่ว่าคนไทยนี้ก็ต้องมีแก้วตั้งหน่อยถ้าแก้วไม่มีก็ ก่อนจะได้จินน้ำมาเดินไปหาแก้วนะโยมนะก่อนจะไปถึงแก้วเนี่ยมันได้ตั้งหลายขยับขยับขยับขยับอะไรจะขนาดนั้น <c oughs> ถ้าท่านโยมสังเกต ด, ดีดีเนี่ยถ้าสังเกตอย่างเงี้ยได้โยม <c oughs> ได้การเจริญสติธรรมะก็สังเกตอย่างนี้แหละอา้าวแล้วไม่ยกมือเหรอ <c oughs> เอาก็ถามหน่อยเวลาไปบ้านโยมยกเหรอ <c oughs> ยกไหมโยมเวลาไปบ้านไม่โยมไม่มีใครยกนั่นเองมีใครยกที่ไหนอ่ะนอกจากมาเนี้มายกอัดอาจารย์มีมนอาจารย์อัดป๊อปป๊อปป๊อพอไปว้าแล้วมีใครยกละแต่ว่ามันจะไม่ยกมันจะเคลื่อนไหวของมันโดยธรรมชาติเราเฝ้าเอาเฝ้าเอาโยมมันก็เหมือนกับการยกมือนี่แหละเนี่ยเฝ้าเอาให้มันรู้มันเมื่อไหรมันจะ เป็นธรรมชาติของเราวะมเมื่อใดมันจะเป็นธรรมชาติของเราเนาะโยมเนาะที่งไหมโยมอาตมาไปสอนขอุงเทพสอนอย่างนี้แหละโยมเขาบอกว่าอัตมาสอนไม่เหมือนองค์อื่นว่างั้นองค์อื่นไงดูความคิดอ่รู้รูปรู้นามรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สมุติอันนั้นก็สมุติอันนี้ก็สมุดอันนั้นก็สมุดอ่าโอ้แล้วมันไม่เอาหรอกอัตมามา น, น, นี่ยนะมันเป็นของปลอมโยม ไ อ, ไอ้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยตราบใดที่เรายังมีร่างกายอยู่เนี่ยโยมมันเคลื่อนไหวได้นี่คือของจริงไอ้ความรู้ต่างๆนั่นนะโยมติดรู้แล้วก็ไปพูดดังว่านั้นมันเป็นของปลอมโยมอย่าไปหลงมันมันเป็นโมหะอย่าไปหลงมันแท้ๆเลยโยมหลงแล้วหลงตายเลยๆเลยโยมไม่มีโอกาสกลับมาได้เห็นของจริงเลยไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ย เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยฝรั่งมังค่าเด็กเล็กเด็กน้อยมันมีเนี่ยมันเป็นของจริงเนี่ยนะมันเคยหลอกเราไหมมันเคลื่อนไหวเนี่ยอ่มันอ๋อกูเคลื่อนไหวกูจะหลอกพระองค์นี้นะมันหลอกตัวเองนะเคลื่อนไหวมันยิ่งดีอ่มันไม่หิวแต่ว่าอยากมันไม่หิวน้ําำเอามือไปจับหลอกใจกันนะมันกลับไปนะใจมันหลอกได้แต่ว่าความรู้สึกที่มันไปมันของจริงนะ เนี่ยคือของจริงเลยในยในความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวนะโยมของจริงถ้าเราฝึกสังเกตพิเคพิจารณาจับมันได้ไม่ได้ทำให้มันเคยชินทำให้มันเป็ น, นแต่มาว่าพวกโยมนะ่สุดยอดเลยโยมไม่เสียถีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาส่วนเรื่องจิตใจนะ่ อาคนนั้นทำไมเป็นอย่างงี้คนนี้ก็เรื่องของเขาโยมเรื่องของเราบางทีอุปนิสัยของเราเนี่ยโยมมันชินมันเป็นสันดานโยมมันแก้ไม่หายบางคนก็ขยันบางคนก็ขี้เกียจบางคนก็อะไรอ่ะคิดปรุงแต่งบางคนก็เห็นเกีตตัวบางคนก็เป็นชอบเสียสละบางคนก็ขี้เหนียวบางคนก็ขี้อิดฉา บางคนก็ชี้บนบางคนก็ไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลา่าบางยายก็ดีเลยคนชอบทำอันนั้นเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นสันดานโยงจะไปว่ากันเลยน่ะเนี่ยเป็นธรรมชาติจะเป็นยังไงก็เทว่าเป็นธรรมชาติของเขาอืมแต่ว่าไอ้ธรรมชาติตัวหนึ่งที่ทุกคนเน่ในตัวคนมันมันมีอยู่แล้วก็คือ ความรู้สึกตัวที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยมันโอ้โหอาตมาว่ามันเยอะเหลือเกินอะในความในตัวการเคลื่อนไหวแต่ละวันแต่ละวันวันหนึ่งเนี่ยเฝ้าดูอดะของตัวเองเนี่ยมันโอ้โหมันทำไมอ่ามันทาไมได้เนื้อเนืน้นอเลยโยม <laughs> ถ้าโยมฝึกได้อย่างนี้นะโยมนะ แต่ว่าก่อนจะได้อย่างเงี้อันนี้อนามาพูดปลายมาน่ะโยมนะกว่าจะได้ก็โอ้เดินอยู่กบเหมือนกันแหละตากแดดหน้าดําเหยียบกบเหยียบเขียดอาจารย์นี่มรตายไปหลายพันตัวเหมือนกันจะเดินทางข้ารถข้าลามาปฏิบัตินึกว่าธรรมะมันจะอยู่ที่วัดป่าเขาคมขาไม่ไมนะ่ะเดินมาเลรนะั้นนะ่ะไม่รู้เป็นยังไงบวดไม่ไม่โยมเดินนะ่ะสมัยก่อนนะ่ะ ลงบ้านคลองอะไรต้นน้าตาก็เดินมาอยากเกิดจเจริญสติเดินมากลางคืนนั่นดีงูไม่กัดตายนะโยมเมื่อก่อนมันยากจนวัดนี้ก็ยากจนคนมาก็ยากจนมันไม่เหมือนทุกวันนี้โยมก็เดินมาหน้าแรงอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเนาะก็เดินมาเดินฝายกดป า, ายบาทมา อทำไมยังเดินมายมก็ถามร้อมันจะเอาแปดสิบบาทอะ่ะเงินร้อยหนึ่งมันยังไม่มีเลยสมัยก่อนเละเอากูแพงแค่ไทยเนี่ยว่ากูเดินนก็ได้เนี่ยว่าโอ้ยไปเดินทีเดียวตอนนั้นโดนเฉียดโอ้ยแปดสิบบาทกูเองเสียดายอยู่แล้วยกูไม่กัดตายตั้งแต่ น, นั้นมาก็ไปเดินเลยโยมร้อยก็ให้ร้อยห้าสิบก็ให้เอาแปดสิบบาทไม่ต้องทอน พราะว่าเห็นรสชาติรสชาติแล้วล่ะละเมื่อก่อนเราก็เสียดายเนาะมันก็ไม่ได้อะแรเป็นภาพวาดใหม่ก็กุศลอาทำ ม, มากุศลอาทำมาได้มายี่ิบาทนะทั้งทั้งแคยาพู ม, มันไม่ได้เป็นร้อยสองร้อยสมัยก่อนมันก็ต้องประหยัด <c oughs> แต่ว่ามาคีดดูอะเกินนันตอนนั้นโยมกลัวจะได้แล้วก็เราก็มาเดินประพฤติปฏิบัติโอ้ยขึ้นเกาะขึ้นเ ข, ข, ขาป่าไม้ก็ไม่มี เนี่ยแล้วก็ต่อสู้มาก็เพื่ออะไรโยมเพื่อจะได้ตัวนี้เนี่ยอาตอมารู้ธรรมะอาตมาไม่ได้รู้อะไรมากไงโยมนะอ า, าอตอมารู้ว่ากายของอาตมาเคลื่อนไหวใจอาตมาเข้าไปรับรู้เท่านั้นเองมันจะอยู่อย่างเงี้ยอ่าอยู่อย่างเงี้ยเวลามันโกรธเวลามันอิจฉาริษยาก็พยายามรู้สึกแรงๆให้มันเคลืนมาตรงนี้ไม่ได้ไปโทษมันเมื่อก่อนโทษโยม กูทำไมโกรธบ่อยได้วะกูทำไมคิดมากนะมักูทำไมโลบนะมันไปโทษเดิมไปโทษใจอตนนี้ไม่โทษหรอกถือ ว, ว่าเป็นธรรมาชาติของเขาพอมันกลับมากลับมาหาความรู้สึกไอ้ตัวนั้นมันก็จะหยุดของมันไปเองเมื่อมันยังหยุดไม่ได้ก็กลับมาหามันบ่อยๆคืนมากลับมาหาก็เรียกว่ามาหาหาตัวเองหาความรู้สึกตัวนั่นแหละ พึ่งตัวได้โยมพึ่งร่างกายของเราร่างกายของเรานอะโอ้ยมันพึ่งได้จริงนะโยมน ะ, ะมันพึ่งได้โยมมีบ้านก็เพราะว่าอะไรก็มีร่างกายนี่แหลนะเนาะมันพึ่งได้จะเป็นเจ้าเป็นนายจะเป็นปู่คนยากคนจะเป็นเศรษฐีคอนบุรีจะเป็นคนจนคอนบุรีก็อาศัยร่างกายนี่แหละโยมไม่มีใครไปอาศัยอะไรมากมายอาศัยที่มันร่างกายที่พ่อแม่ให้เรามานนี่คือมนุษย์สมบัติโยม นี่คือมนุษย์สมบัติสมบัติมีค่ามากเมื่อก่อนนี่คิดว่าคิดว่าไงโยมคิดว่าร่างกายนะี่ยมันไม่มีค่าอะไรนะแต่มาทำไมก่อนนะโอ้พ่อแม่ให้มาอย่งงนะางง่านแต่เมื่อก่อนนี่มันเป็นมาดิเป็นลูกคนสุดท้ายนะมีลูกเก้าคนโยมแม่ อายุห้าสิบปีแล้วเคยมีโรคสี่สิบปีห้าสิบปีก่อนมานี่ยมันก็แก่นะมันจะเป็นคนแก่แต่เด็กเชีวหนังเนี่ยโอ้ยไม่น่ายเราเกิดมาเลยอีพออีเมนนะะเกิดมาร่างกายมันไม่ดีนะยมอมันไม่หล่อมันพระจารย์มีมนมันไม่หล่อมันพระมหาเฉริมมันไม่หล่อมันพระเจ้าวาดเขาคงค่ะ ดําคลือก็พระคูวิไลเดยวกับกระจ ก, ก็ได้กระดำเคลือยอยอยากจะโขอตายเด๋อเกิดไปจะไปเกิดใหม่โยมอยากจะไปเกิดใหม่ได้ยินพานว่าอยากรอต้องรักษาศีลมันเกิดมารอต้องเป็นรักษาศีลโยมันจมาจะรักษาศีลศีลห้า แล้วก็จะไปโผูกตายจะได้เกิดใหม่แล้วก็ได้มาหล่อๆเป็นดาราแบบคอแบบไะไได้สลัลลพงสลพังลรพงนะมองร่างกายยังไงโยมมันไม่มีค่ามองนะมันไม่เหมือนใครอะไรก็ไม่เท่าเขาอะไรก็ความรู้ยิ่งความรู้จะมาอ่านหนังสือไม่ออกเลยนะโยมนะชีวิตัมะมาเนี่ยลอกอย่างเดียวตั้งแต่กำความได้เนี่ย เขาเรียกว่านาฬิวพระธรรมโยมเป็นก็ดีอย่างหนึ่งพวกญิงให้ลอกปอหนึ่งก็ลอกปอสองก็ลอกปอสามปอสี่ลอกอย่างเดียวแต่มีแต่ลคนยิงเก่งให้ลอกนะอไม่รู้เป็นไงก็าลอกแต่บ้านเดียวกันเขาไม่ลอกนะต้องบ้านดื่นบ้านเดียวกันเขาเกลียดไอ้ห่าไอ้ห่าะตีเราอย่างเดียวแล้วก็ไปเพิ่งบ้านดื้อตอนเป็นเด็กเขาว่างันนะน่าจะลอกลอกลอกลอกลอกมาคือทำไมถึงลอกโยมก็มันโง่อยม มันคนโง่อ่ะมันอ่านหนังสือก็ไม่ออกมันมีคนมาบอกถ้าเจ้าอยากอ่านหนังสือได้เถะยโยมเขาว่านะให้มึงไปติดนิยายกําลังภายในายจีนนะกาลังภายในโยมให้ไปอ่านที่แล้วเนี่ยให้ไปอ่านไอะไรนะให้ไปอ่านในไ อ, ไอ้กำลังภายในมังกรยกบางอันนะมันอ่านหนังสือไม่ออกไปอ่านมังกรยกนายโยม ไปอ่านว่าก่อนยกอยากอยากอ่านหนังสือได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ยงังไงโยมอไปอ่านอะไรของไอของไทยอ่ะไออะไรบังกอรกรู้จักบังกอกไหมโยมอมันกอกหนังสือบังกอกอ่อานตั้งแต่นั้นมาแต่มาอ่านหนังสือออกโยมเนี่ยเป็นชีวิตเขาเรียกว่าเห็นร่างกายของเราเนี่ยโอ้ยมันไม่มีค่านะแต่ว่าตอนนี้เราโอ้สุดยอดเลยโยมนะา โอ้ามันสมัยก่อนเนี่ยเห็นชีวิตห่างๆอย่างนี้เลยนะโอ้ยไม่เห็นเห็นไม่มีค่าโยมไปอยากจะได้ของคนอื่นเขาหลอ่อเขาสวยเขารวยอยากจะเป็นเอาของคนอื่นมาของเราดีๆก็ทิ้งค่าทิ้งเป็นสมบัติที่พ่อแม่ให้มาแท้ๆนะโยมเนี่นยังดูถูกมันโอ้ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วละโยมสุดยอดละโยม ใครจะหล่อใครจะสวยใครจะรวยไปเถเาสู้กูมีสติไม่ได้นะพูดง่ายๆนะโยมแม้แต่ต้มดิษสังกะรุงสังกาชเนะี่ผักอกพักครัอะไรทานองนะี้ถ้าเดินไม่มีสติเนะี่ยเวี๋ยวว่วยถ้ยอะไรเลยโยมถ้าเดินพัเกือบเกือบักขะเกือนา ง, งงูนางงามอะไรทำนองนะี้ไอ้ดอกเตอร์ไอ้พันเอกพันโทแม้แต่นายุง่งนายกทุกวันเนะี่ย แต่ดิเออเออเออไอ้นสติน เ, เ, เ, เ, มม น, เนี่ยโยมสู้เราไปไหนโอ้ยชุงจะมียศมีเงินมีทองก็สู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาได้วะให้มีสติให้มีสติรู้สึกตัวได้โอ้สุดยอดเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมน ะ, นะเคยได้ยินอย่างเงี้ยโยมอัตมาอ่านเนี่ย เป็นมหาเนี่ยเขาจะรู้นะโยมนะว่ามีคนจนคนหนึ่งนะโยมไปฟังเทศไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าเทศพระพุทธเจ้ากับเทศเรื่องนี้ละกันอย่างอัตมาในทางของจะเทศดีกว่าอัตมาเยอะแล้วนะพอเทศเสร็จนี่ก็ เตะจบในแกร้องออกมาเลยพุทธังตระนังกัชามีธรรมังตะระนังกัชามีสังฆังตะระนังกัชานี่แกไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าเลยนะคือแกบรรลุธรรมะนั่นแหละโยมแต่ก็ไม่บรรลุอย่างบรรลุอย่างไงก็ไม่รู้ล่ะเพราะเราเกิดไม่ทันเรแเพงจะอ่านตามตำราพอบรรลุทีนี้ก็มีกลับบ้านคำค้ำอย่างนี้ก็กลับบ้านแกก็ร้อง ไม่ร้องตายไม่ร้องแตนไม่ร้องเอิร์นไม่ร้องก๊อเดี๋ยวก็ร้องเด้๋ยวพุทธังตะระนงรังขจามีประกาแขกไอเทพดาก็ร้องของไอห่าเนี่ยมันพุ่นลำคาลแล้วเกินเขาอยากทดสอบมันใช่ไม่ใช่ไหะจะไปจาา้างโอยลำคาลแล้วเกินไว้เดินกลับบ้านก็เดินเฉยไม่ได้เหรอทาไมต้องร้องพุทธังตระนงรังขจามีทำมังตะรนังขจามีตั้งครั้ง สารนังก็ถามิมาเดินเฉยไม่ได้ปรมาณั้นาเอามันจัางมาแคนจนนะโยมนะเอาเท่าไรไม่ให้ร้องเงวนั้นร้อยหนึ่งได้ไหมมันร้อยก็หาปานานมันก็เยอะนะโยมนะแกก็เฉยอ่าพันหนึงได้ไหมวะนั่นนะเป็นจนถึงหมื่นนี่แหละโยมคนจนไม่มีเงินนะเขาเอาเงินหมื่นมาแค่ว่าถ้าเป็นเราไดเอามาเอามาเอามาไหม กูพอไปถึงน้อกูก็ร้องต่อลบมึงหนีไปแล้วกูจะร้องต่อแต่เป็นเราถ้าเป็นเราก็จะอย่างงั้นนะโยมอันนี้มันบอกแม่แม่มึงเป็นใครวะบอกทนมามึงมาจ้างกูแม่ท่สนนรเซินพระพุติประธรรมประทรงแบบเราส่วนมวลนายโยมจ้างแม่เป็นหมื่นเป็นแสนถ้านเดืนนี้ก็เป็นล้านนั่นแหละโยมแต่ไม่เอาแต่มาก็คิดอยู่นะอ๋มันอะไรวะ อ่านไปก็คิดไปนะตอนตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกตัวอย่างนี้โยมยังไม่ได้เข้าธรรมะก็เป็นเด็กตัวตัวไปอย่างนี้แหละแบบลูกโยมแหละจิเรามายาจีเล่น จ, นจนีหัวไปอย่างนี้แหละแล้วก็อ่านโอ้ถ้าเป็นเราแล้วเอ า, เอาก่อนแล้ววะมันกลับไปแล้วก็ร้องต่อแต่นี่ไม่เอาเป็นแสนเป็นล้านใครพูดคํานึงนะนับภาษาอะไรเงินแค่แสนหมื่นก็หาปหัญหเนี้ย อาสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินมาแรกให้ไม่ให้ข้าร้องข้าก็ไม่เอาแ่นีข้าจะร้องเพราะว่าแกนับเถือเกิดพิติมันมีค่าขนาดนั้นนายโยมเนี้ยอาจมามาปฏิบัติอย่างเงี้ยก็มาเห็นโอ้ที่เขาร้องอย่างนั้นเขาก็คงจะได้อะไรดีๆจากคําสอนของพระพุทธเจ้าไปว่านี่คือเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานแบบหลว่าเดียร์นี่มันกันนายโยมนะถ้าเราได้รู้สึกตรงเนี้ย มันแกมีกุ้งมีข่าไปเห็นคนอื่นโอ้ย ย, ยิ่งพระดูพระเดินเนี่ยพระเทระนเนี่ยเจ้าคณะอำเภ อ, อยังไงโยมเห็นไหมไปได้เห็นเจ้าคณะทีเก็สงสารเจ้าคณะอำเภอนะตอนตอนไปประชุมไปประชุมไปประชุมกับไอ้เจ้าคณะตำบล น, นะโยมนะตอนนี้เป็นเป็นรักษาการโยมแต่เป็นได้ไม่นานเ้าก็จะปวด <laughs> ไปประชมุมใ้เห็นเจ้าคณะตาบลก็เถียงกันแลยโยมปุ้มปัมปุ้ปั ม, ป ม, ปมโอ้ยจะเป็นในตายแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไป็นไรว้าวเถียงกันนายเจ้าคณะเผยก็ตอบอย่างเดียวแล้วเอ้ยงั้นผมยังไม่ทําอันนี้ผมทําไม่ได้นั้นพวกท่านน้องช่วยก่อนอันนั้นโอ้ยแต่ <c oughs> ก็ไปผมไปเห็นแล้วโยมคือท่านเป็นพระปกครองแต่ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติสติมันจะมันจะมีแต่ประสบาการณ์โยม แต่ว่าความฉลาดในกแก้ปัญหาเนี่เราสู้ท่านไม่ได้แต่ว่าในการเดินไปเดินมาเดินนูน่นเดินนี่เนอ่ยรับรองว่าสู้เราไม่ได้กันแล้วกันเดินไปเดี๋ยมีสติเนะี่ยแต่ว่าเรื่องความรู้ความฉลาดการแก้ปัญหาเป็นนักปกครองใช่ไหมขั้นเจงิงแต่ว่าเรื่องว่าเออมึงจะเดินไปนูน่นเดินไปเข้าห้องน้ํารับรองว่ากูเนี่ยมีสติมากกว่าก็แล้วกัน <laughs> เจ้าคณะ อ, อําเภอพวกนี้เนะเจ้าคณะตําบลพวกเนี้ย เจ้าอาวาสพวกนี้กิดโยมเพราะว่าเราฝึกเดเขาไม่ได้ฝึกเพราะเขาไม่ได้ฝึกกันไปแหละก็สู้เราไม่ได้นะเราก็พรมใจตรงนี้ถึงเราจะไม่ได้มียศมีตำแหน่งแต่ว่าเรามีความรู้สึกขณะที่เราเดินนั่งยืนเดินนอนมันก็ไปตรงกับหลักฐานสติปัฏฐานสูตรเห็นไหมกายานุปทานสติปัฏฐานมีสติในการเดินมีสติในการ ดูเวทนามีสติในการดูจิตมีสติในการดูธรรมนี่คือกําไรชีวิตโยมกําไรชีวิตสําหรับเราโยมก็ให้ทําไปนะฝูดก็คว้างล่ะจ้าว่าเพื่อว่าสักวันหนึ่งนะโยมนะมันก็จะไม่ได้ตอนนี้หรอกบางคนก็ได้ก็ถือก็ถือว่าเป็นบุญของเราบางคนไม่ได้ก็ฝึกเอาโยมคนไหนที่ได้ก็โอ้ยินดีเป็นเป็นกำไรชีวิตสําหรับชีวิตเราแล้ว ของโยมพ่อโยมแม่ก็ยินดีด้วยโยมถึงจะไม่ใช่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราแต่ว่าโยมนะได้ความรู้สึกตรงนี้โอ้มันน่าภูมิใจในชีวิตที่เกิดมามันรู้ว่าอยู่ตัแห่งหนตําบลใดได้มันเจริญสติแล้วได้มามีสติขณะที่ยืนขณะที่เดินขณะที่นั่งขณะที่ยกมือสร้างจังหวะมาอยู่กับความรู้สึกตัวซื่อเชอ ย, ช ย, ชยนะ่ะ มันจะอยู่ลงอยู่ตรงนี้น่ะนั่นคือเป็นกำไรชีวิตของเขาก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเพราะาชีวิตทุกคนต้องตายโยมแต่ติดปีนี่ไม่เกินรือว่าร้อยปีไม่เกินคือว่ามันต้องจากโลกนี้ไปก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนะ่ยเราได้มาทำสิ่งดีๆโยมเนี่ยเคยทำสิ่งดีๆให้กับลูกกับหลานมาพอแล้วแตมาว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากเขาหรอกโยมพอสาหรับเขาละ ปล่อยให้เขาไปเองปล่อยให้เขาไปสู้ชีวิตเองลูกก็ดีหลานก็ดีถือว่ามันช่วยตัวเองไม่ได้ก็ลองให้มันช่วยตัวเองดูอย่าแปลนั้นมันเราลองมาช่วยตัวของเราเองให้มีความรู้สึกปวทั่วพร้อมจะดีกว่าเป็นของงานชิ้นสุดท้ายของพวกเราโยมมันงานชิ้นสุดท้ายของโยมจะมาฝากไว้ที่คืองานชิ้นสุดท้ายของพวกเรา ต้องทำไม่ได้นะถึงจะมาตอนอายุมากแล้วก็ไม่เป็นไรอย่าเอาอายุมาเป็นเกี่ยงเรามีประสบะการณ์เรามีความรู้นั่นแหละเอามาใช้คำสอนของหลวงพ่อเทียนสอนง่ายๆโยมไม่ได้ไปเอาหลักการวิชาการอะไรมาสอนเอาความรู้สึกตัวที่มีอยู่ในตัวของเราขอให้เรารละลึกได้ขอได้มันเคลื่อนไหวนี่ก็คือเป็นเป็นการปฏิบัติงาน เป็นงานของเราชิ้นสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดลมหายใจนี่ขอฝากไว้เพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะโยมนะที่ได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจะรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้บั่งคิดมั่งรู้บ้างคิดบ้างง่วงบั่งขี้เกียจบ้า ง, า ง, า ง, งก็เธอเป็นธรรมชาติของเราเนะก่อนที่เราจะสู่อะไรบ้างมายก็ต้องมีอุปสรรคไว้ว่าทางโลกหรือทางธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญขอยพบคำสอนคำแนะนำที่หลวงพ่อเทียนท่า น, นสอนไว้กล่าวไว้ให้เกิดขึ้นกับโยมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ